แม่หลวงพ่อบรรยายเก่งจังฉันไม่เคยเห็นพระรูปไหน บัรยายเก่งเท่าหลวงพ่อเลยฉันสาบซึ้งจนน้ำตาเกือบจะไหลเส้นหลายหนแม่ชีปวนกล่าวชมท่านพระครูหลังจากไปทำธุระที่ห้องสุขามาเรียบร้อยแล้วอัตตมะมีครูบาอาจารย์ดีอาจารย์ของอัตตมะสอบได้ปรรียนธรรมประโยคก้าวนะท่านเทศเก่งมาก จนได้รับฉายาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านพระครูยกความดีให้ครูบาอาจารย์แมฉันอยากรู้จักอาจารย์ของหลวงพ่อแล้วสิอยากรู้ว่าท่านสอนอย่างไรสิถึงได้เก่งอย่างนี้หลวงพ่อพอจะบอกฉันได้ไหมถึงบอกไป แม่ทีก็ไม่รู้จักท่านพระครูคิดว่าแม่ทีคงไม่รู้จักอาจารย์ของท่านถึงไม่รู้จักแต่ฉันก็อยากรู้ไวหลวงพ่อช่วยบอกฉันหน่อยเถอะฉันไหวละ่ะแกยกมือไหวประลกบประหลกบรู้ไว้ทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มเย้าว รู้ไหวใช่ว่าใส่บาแบกหามแม่ชีตอบทันใดถ้าอย่างนั้นอาตมาก็เห็นจะต้องบอกอาจารย์ของอาตมาคือท่านเจ้าคุณโชดกท่านพระครูบอกคิดว่าอย่างไรเสียแม่ชีจะต้องไม่รู้จักเจ้าคุณโชดกยานสิทธิ เจ้าคณะหาวัดมหาธาตุช่ไหมแม่ชีป่วนถามอย่างตื่นเต้นโยมรู้จักหรือท่านพระครูรู้สึกผิดหวังเพราะหวังว่าแม่ชีป่วนไม่รู้จักอาจารย์ของท่านยิ่งกว่ารู้จักซะ อ, อีกท่านนี่แหละสิ่์ก่นกุตติท่านเจ้าคุณโชโดก แม่ชีวัยหกสิบถือโอกาสคุยเอแล้วทำไมอาตมาไม่รู้จักแม่ชีอาตมาไปเรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่รุ่นเดียวกับสมณเนทองดีแม่ชีรู้จักสมณี น, นทองดีหรือเปล่าที่ท่านพูดติดอ่าง แค่พอเข้าผลสมาบัติได้โรคติดอ่างหายวับไปเลยแม่ชีรู้จักไหมสั ม, มนเนีนทองดีนะท่านถามอีกจะทองดีหรือทองไม่ดีฉันก็ไม่รู้จักร้อเพราะฉันเพ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเมื่อปีที่แล้วนี่เองแม่ชีพูดไม่เต็มเสียงนะัก ถ้าอย่างนั้นก็ห่างกันถึงส4สิบสี่ปีแม่ชีก็เป็นรุ่นหลานเทียวละนึกว่าเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกซะ อ, อีกที่แท้เป็นรุ่นหลานภิกษุวัยใกล้หกสิบตั้งใจพูดข่มงั้นฉันก็ต้องเรียกหลวงพ่อว่าหลวงตาหรือใหม่ก็หลวงปู่อย่างนั้น ดีไหมแม่ชีเป็นฝ่ายพูดข่มบ้างไม่ดีเพราะแม่ชีแก่กว่าอัตมาท่านพระครูไม่สู้จะเห็นด้วยหลวงพ่อครับคือว่าผมอยากฟังหลวงพ่อบรรยายเรื่องปฏิจจสมุตบาทต่อนะครับโยมเสงษ์กราบเรียนด้วยความเกรงใจเป็นที่สุด เขากำลังทราบซึ้งในธรรมะที่พระบรมศาสดาทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกหลังจากตรัสรู้เงนก่อตกลงว่าฉันเรียกหลวงพ่ออย่างเดิมแล้วกันเพราะฉันก็อยากฟังหลวงพ่อบรรยายต่อเหมือนกันแม่ชีพูดเสียงห้วนเพราะรู้สึกไม่พอใจที่ถูกขัดจังหวะท่านพระครูจึงถามโยมเสียงว่า อาตมาบรรยายถึงข้อไหนแล้วถึงข้อที่สิบเอ็ดคือชาติครับโยมเสียงตอบวิทยากรจำเป็นจึงบรรยายต่อชาติคือความเกิดได้แก่ความปรากฏแห่งขันทั้งหลายหรือการได้อายตนะหลวงพ่อคะเวลาที่เราสวดมนต์ทวัดเช้า และกรวดน้ําในบทกรวดน้ําตอนเช้ามีตอนหนึ่งที่ว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีหนูเข้าใจคําว่าพบเพราะหลวงพ่ออธิบายแล้วเมื่อสักครู่พบกับภูมเหมือนกันหรือเปล่าคะหนูอยากขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายภูมิทั้งสาม กำเนิดทั้งสี่และมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันด้วยค่ะนางสาวสายใยรักขอให้ท่านพระครูช่วยอธิบายเรื่องที่หล่อนยังไม่เข้าใจสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าพบกับภูมิไม่เหมือนกันแต่ก็คล้ายคล้ายกันพบหมายถึงภาวะชีวิตของสัตว์หรือโลก เป็นที่อยู่ของสัตว์ภพมีสามได้แก่กามภพรูปภปพและอรูปภปพดังที่ได้อธิบายแล้วส่วนภูมิหมายถึงชั้นแห่งจิตระดับจิตใจหรือระดับชีวิตภูมิทั้งสามได้แก่กามาวจรภูมิแปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกาม ระดับจิตใจที่ยังปราถนากามเป็นอารมณ์คือยังเกี่ยวข้องกับกามมคุณหรือระดับจิตใจของสัตว์ในกามาพบทั้งส1บอ็ดชั้นที่พระคุณทศอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แม่ชีกามาพบสเอ็ดชั้นมีอะไรบ้างท่านถามแม่ชีป่วนจำไม่ได้แล้วจ้ะ แม่ชีคนเก่งตอบตรงไปตรงมาอ้าวก่นไหนบอกว่าทราบซึ้งจนน้ำตาเกือบจะไหลเส้นไหลหนงไงละ่ะไม่ทันไรจำไม่ได้แล้วท่านพระครูเย้ยสิกร่วมสำนักมีอบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์นหนึ่งครับอุบาสกผู้หนึ่งตอบเขารู้สึกถูกชะตากับนางสาวสายใ ย, ยรัก คิดว่าการมาแสวงบุญครั้งนี้ถ้าโชคดีคงจะได้สัตว์สองเท้ากลับไปเป็นแน่ถูกต้องส่วนภูมิที่สองคือรูปปาวจรภูมิแปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูประดับจิตใจที่ปรารถนหารูปธรรมเป็นอารมณ์หรือระดับจิตใจของท่านผู้ได้ฌาน หรือผู้อยู่ในรูปประพบทั้ง16ชั้นพูมที่สามคืออรูปาวจรภูมิแปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูประดับจิตใจที่ปรารถนาอารูปธรรมเป็นอารมณ์หรือระดับจิตใจของท่านผู้ได้อรูปประชานหรือผู้อยู่ในอรูปรพบทั้งสี่ชั้นพูมทั้งสามที่กล่าวมานี้เรียกว่า โลกียภูมินอกจากโลกียภูมิซึ่งมีสามภูมิแล้วยังมีโลกุตระภูมิซึ่งเป็นภูมิที่สี่โลกุตระภูมิแปลว่าชั้นที่พ้นจากโลกระดับแห่งโลกุตระธรรมหรือระดับจิตใจของพระอริยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกียภูมิสามข้างต้นเพราะฉะนั้นภูมิ จึงมีสี่ได้แก่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตรภูมิแล้วโลกุตรภพมีไหมครับอุบาสกคนเดิมถามอีกโลกุตรภพไม่มีมีแต่โลกุตรภูมิท่านพระครูตอบ หลุงพ่อคะกรุณาอธิบายกำเนิดสี่กับขันต่อเลยนะคะนางสาวสายใยรักอยากฟังต่อกำเนิดสี่หรือเรียกอีกอย่างว่าโยนิสีแปลว่าแบบหรือชนิดของการเกิดสี่แบบได้แก่หนึ่งฉลาพุชะหมายถึงสัตว์เกิดในขัน คือคลอดออกมาเป็นตัวเช่นคนโคสุนักแมวเป็นต้น 2. อ, อันทชะหมายถึงสัตว์เกิดในไข่คือออกไข่เป็นฟองก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวเช่นนกเป็ดไก่งูเป็นต้น 3. ส, สังเซทชะ หมายถึงสัตว์เกิดในใครคือเกิดในของชื้นแฉะหมักมมเน่าเปื่อยขยายพแพร่ออกไปเองเช่นกิมีชาติบางชนิดแม่ชีปวนกำลังจะเอ่ยปากถามว่ากิมีชาติคืออะไรท่านพระครูก็อธิบายเสียก่อนที่จะถูกถามว่ากิมีชาติแปลว่าหนอน หรือหมู่นอนคงไม่มีผู้ใดไม่รู้จักนอนนะแม่ชีปวนแสนจะทราบซึ้งจึงยิ้มกําเนิดสี่แบบสุดท้ายเรียกว่าโอปปาติกะหมายถึงสัตว์เกิดผุดขึ้นคือเกิดผุดเต็มตัวในทันใดได้แก่เทวดาสัตว์นรกและเปรตบางพวกซึ่งเกิดและตาย ไม่ต้องมีเชื้อหรือซากปรากฏส่วนสัตว์ที่มีขันห้าขันได้แก่สัตว์ที่เกิดในอวัยภูมิ4สมีนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์กามาวจรสวรรค์6กรูปาวจรภูมิตั้งแต่ภูมิที่หนึ่งถึง10และภูมิที่12ถึง16คือเว้นภูมิที่11็ ที่เรียกว่าอสันยีสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีขันห้าขันจึงมี26ภูมิส่วนสัตว์มีขันขันเดียวก็คืออสันยีสัตว์ซึ่งมีแต่รูปประขันไม่มีนามขันและสุดท้ายสัตว์มีขันสี่ขันก็ได้แก่อรูปาวจรภูมิสี่รวมเป็น 31ภูมิพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสัตว์ใน31ภูมิแยกตามขันได้เป็นสมประเภทได้แก่ประเภทที่มีห้าขันสขันและขันเดียวตามลำดับสรุปจำแนกแยกประเภทก็จะเป็นขันสามพบสามูมสี่ ชั้นรูปราวจรภูมิคือชั้นของพวกรูปประพรมซึ่งมีสิบหกชัน้นและชั้นอรูปราวจรภูมิคือชั้นของพวกอรูปประพรมซึ่งมีสี่ชั้นใช่ไหมครับอุบาสกคนเดิมถามโยมสิงว่าใช่หรือเปล่าท่านพระครูถามโยมสงิงใช่จ้ะไม่ทีปวนชิงตอบจึงถูกหลวงพ่อวัดดอนเมืองเยา ว, ว่า อ๋อแม่ทีชื่อเสงหลอกหรอหรอาตมาก็นึกว่าชื่อบันปวนฉันชื่อปวนเฉยๆส่วนปันเป็นฉายาที่ท่านเจ้าคุณตั้งให้แม่ทีปวนตอบงอนๆทำให้บรรยากาศคลื้นเครง่งไม่เคร่งเครียดท่านพระครูจึงยาวบ้างว่าอาตมาเพิ่งรู้ว่าเป็นที ก็ต้องมีฉายาเหมือนกันนึกว่ามีแต่พระอย่างอัตมานิเป็นพระมีฉายาว่าทิตะธรรมโมแปลว่าพูดตั้งอยู่ในธรรมแล้วฉายาของแม่ชีแปลว่าอะไรละ่ะฉันไม่รู้ถ้าท่านอยากรู้ก็ให้ไปถามท่านเจ้าคุณเอาเองแม่ชีตอบงอนๆ อ, อีกนางสาวสายใยรัก ผู้ซึ่งตั้งใจมาตัดตวงความรู้จึงพูดขึ้นว่าหนูขอนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อข้อที่สิบสองเลยค่ะเลยถูกแม่ชีปวนค้อนงามๆสามวงซ้อนข้อที่สิบสองซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือชรามรณนะแปลว่าความแก่และความตาย ชาลาคือความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์ที่เราเรียกกันว่าความแก่ไม่มีใครอยากแก่แต่ก็ต้องแก่อย่างแม่ชีนี่ถือว่าแก่ที่สุดในบรรดาอุบาสิกาที่นั่งอยู่ณที่นี้ท่านพระครูเยา้าแม่ชีป่วนอีกท่านอย่าพูดซีสววแม่ชีป่วนตอบว่าหน้างอเป็นม้าหมากรุก อารมณ์ซาบซึ้งชื่นบานเมื่อครู่ระเหยไปหมดไม่มีเหลือความจริงอุบาสิกาที่แก่ที่สุดคือโยมผ่องใสเอ่ก่อนไหนโยมบอกว่าเป็นลูกสิทธิท่านเจ้าคุณโชดกเห็นจะไม่จริงกระมังเพราะถ้าจริงโยมก็จะไม่แสดงอาการโกรธขึ้นออกมาจะกำหนดโกรธหนอโกรธหนอแทด คราวนี้ท่านพระครูยั่วฉันไม่ได้โกรธแต่ท่านไม่พอใจที่ท่านพูดซีสัวไม่ชีย้อนอัตมาพูดสีสัวอย่างไรก็ท่านมหาว่าฉันแก่อัตมาไม่ได้ว่าก็โยมแก่จริงๆรงิอัตมาเองก็แก่ลุงพ่อวัดดอนเมืองก็แก่ใครๆที่นั่งอยู่ในที่นี้ ก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมไม่จริงครับโยมสายใยรักยังไม่แก่ยังสาวและสวยอุบาสกที่หมายตาอุบาสิกาอายุน้อยที่สุดถือโอกาสพูดเกี้ยวสาวต่อหน้าทารักกำนันถ้าว่าสาวเจ้ากลับไม่ยินดียินร้ายเพราะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะครองโสดอยู่อย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ท่านพระครูรู้ความคิดของอุบาสิกาสาวจึงเทศด้วยปรมัตถธรรมทำไมจะไม่แก่อาตมาไม่ได้พูดซีสัวอย่างที่แม่ชีว่าแต่อาตมาพูดความจริงคือทุกคนในที่นี้ต่างก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นไม่แก่จะคลอดออกมาจากท้องแม่หรืออยู่ในท้องแม่ได้สิบเดือน พอท้วนกำหนดทดสมาศก็ต้องคลอดออกมาเพราะแก่เกินกว่าจะอยู่ในท้องแม่ต่อไปได้อีกที่เขาเรียกว่าท้องแก่ไงละ่ะแม่ชีเคยท้องแก่ไหมแม่ชีป่วนรีบรับว่าเคยจ่ะหลวงพ่อฉันเคยท้องแก่ตัง้งสิบหนนถ้าไม่บังคับพ่ออินูไปทำหมัน ฉันคงท้องแก่ถึงยี่สิบหนนแน่เลยเพราะฉันแต่งงานตั้งแต่อายุสิเจ็ดแล้วก็ลูกดกหุ้ปีท้ายปีเลยแม่ชีปวนอวดความสามารถในการเป็นแม่พันของตนแล้วทีนี้ยอมรับหรือยังล่ะว่าตัวเองแก่อาตมาพูดสีสวยหรือเปล่าแม่ชีเปลี่ยนจากหน้ารวยรื่น มาเป็นหน้าหงิกงออีกวาระหนึ่งตอบเสีงสบัดสบัดว่ายอมรับก็ได้ถึงหลวงพอ่อจะพูดซีสวฉันก็ยอมรับได้แล้วก็จะพยายามไม่โกรธเพราะไหนไหนก็เป็นสิทธิสํานักเดียวกันได้ย่แม่ชีพอหอมปากหอมคอแล้วสมภานวัดป่ามะม่วงจึงบรรยายต่อเพราะรู้ว่ายมเสียงกับนางสาวสายใยรักรอฟังอยู่ ชรากับมรณะเป็นของคู่กันเพราะเมื่อมีความแก่ก็ต้องมีความตายมรณะหมายถึงความสลายแห่งขันหรือความขาดสิ้นชีวิตตินสีลุงพ่อคะความสลายแห่งขันหนูพอจะเข้าใจแต่ความขาดสิ้นชีวิตตินสีหนูยังไม่เข้าใจ ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายขยายความได้ไหมคะเสีงสยงใสๆของนางสาวสายใยรักดังขึ้นอีกท่านพระครูจึงอธิบายว่าชีวิตตินสีเป็นคำสนทิมาจากชีวิตสนทิกับอินสีชีวิตมาจากคำบาลีว่าชีวติแปลว่าเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ดำรงชีพอยู่ แปลง่ายๆว่าความเป็นอยู่ส่วนอินรีแปลว่าความเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหรือธรรมะที่เป็นเจ้าการในการทําหน้าที่อย่างหนึ่งหนึ่งเช่นตาเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าการในการเห็นก็เป็นจากขุนสีมาจากจากขุที่แปลว่าตาสนธิกับอินรี หูเป็นใหญ่ในการได้ยินก็เป็นโสตินีมาจากมาจากโสตที่แปลว่าหูสนทิกับอินีศรัทธาเป็นเจ้าการในการครอบงำเสียซึ่งความไร้ศรัทธาก็เป็นสรัทินีมาจากศรัทธาสนทิกับอินีเป็นต้นดังนั้นชีวิตตินี จึงหมายถึงสภาวะที่เป็นใหญ่ในการตามรักษาธรรมะที่เกิดร่วมด้วยดุดน้ำหล่อเลี้ยงดอกบัวอัตมา จ, จะอธิบายการแสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิตแบบข้ามพบข้ามชาติโดยย่อเพื่อญาติโยมจะได้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเริ่มจากข้อแรกคือ อวิชชาบางท่านอาจจะสงสัยว่าอาวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอาวิชชาเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุอย่างนั้นหรืออวิชชาเกิดจากอาสวจัจจะ แม่ชีปวนพูดขึ้นเพราะได้ยินได้ฟังมาจากท่านเจ้าคุณโชดกจนจำได้แม้จะไม่เข้าใจก็ตามดีมากแม่ชีตอบดีมากท่านพระครูชมเป็นเหตุให้แม่ชีปวนหน้าบานเป็นจานเชิงสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าหากท่านถามต่อแม่ชีก็จะตอบไม่ได้แล้วหน้าที่บานเป็นจานเชิงก็จะหุบ กลายเป็นหน้าตูมตามเดิมจึงไม่ถามอาสะวะคือกิเลส ท, ที่หมักมมหรือดองอยู่ในสันดานไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆมีสามอย่างได้แก่กามาสะวะแปลว่าอาสะวะคือกามภวาสะวะอาสะวะคือภพ และอวิชชาสะวะอาอสะวะคือความไม่รู้และจึงอธิบายกระบวนการเกิดตามลำดับว่าอาสะวะทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงเข้าใจผิดเช่นเข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นบร ม, มสุขจึงเกิดสังขารคือนึกคิด ตั้งเจจำนงไปตามความเข้าใจนั้นๆมีการลงมือกระทำกรรมต่างๆดีบ้างชั่วบ้างจึงเกิดวิญญาณคือเกิดปฏิสนธิวิญญาณแล้วถือกำเนิดเกิดขึ้นในภพที่เหมาะสมกับกรรมเคยทำไว้จากนั้นนามรูปคือกระบวนการแห่งการเกิดก็ดำเนินต่อไป ก่อรูปเป็นทีวิตพร้อมที่จะปรุงแต่งกระทํากรรมต่างๆต่อไปอีกจึงมีรูปประขันและนามขันครบถว้วนมีสลายตัณนะคืออายตัณะหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อใช้ติดต่อกับโลกภายนอกจึงเกิดผัสสะคือการกระทบ หรือสัมผัสของอายตนะภายนอกหรือที่เรียกว่าอารมณ์และเกิดการรับรู้เช่นตากระทบรูปเกิดการรับรู้ทางตาหูกระทบเสียงเกิดการรับรู้ทางหูเป็นต้นจากนั้นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยก็เกิดขึ้นจากการสัมผัส ต่อจากนั้นตันหาคือความทยานอยากจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นสุขเวทนาที่เรียกว่ากามตันหาหรือภวะตันหาถ้าเกิดทุกขเวทนาก็อยากจะหลีกหนีไปให้พ้นก็เป็นวิภวตันหาเมื่อความทยานอยากรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นอุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นเช่นการยึดติดในความอริดอร่อยของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จัดเป็นกามุปาทานเป็นต้นจากนั้นพบคือเจตจำนงที่จะกระทำการเพื่อให้ได้มาตามความยึดมั่นจึงทำให้เกิดกระบวนพฤติกรรมที่เรียกว่ากรรมภพขึ้นอีก เป็นกรรมดีกรรมชั่วหรือกรรมกลางๆสอดคล้องกับตัณหาอุปาทานนั้นๆเป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิตที่จะปรากฏในพบต่อไปเมื่อกระบวนการก่อกรรมดำเนินไปเช่นนี้แล้วครั้นชีวิตช่วงหนึ่งสิ้นสุดลงพลังแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ก็จะผลักดันให้เกิดการสืบต่อ ขั้นตอนต่อไปในวงจรคือชาติเริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพลังงานแห่งกรรมนั้นปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรมบังเกิดขันห้าขึ้นพร้อมเริ่มกระบวนการแห่งชีวิตให้ดำเนินการต่อไปคือเกิดนามรูปสลายตนณะ ภัดสะและเวทนาขึ้นหมุนเวียนวงจรอีกและเมื่อมีการเกิดขึ้นอีกย่อมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมีชาราเมรณะคือความเสื่อมโทรมและแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้นและเนื่องด้วยยังมีอวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานวงจรแห่งชีวิตก็ยังดำเนินต่อไป ที่เรียกว่าวัตตะสงสารหรือสังสารวัตคือการเวียน่หวตายเกิดโดยมีพลังกรรมเป็นตัวผลักดันชรามรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจซึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์จะเกิดประสมโรง เมื่อผู้นั้นมีชีวิตเป็นอะไรอยู่คำสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่ากองทุกทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้ดังพระบาลีว่าเอวเมตัดสะเกวลัตสทุกขกขันธสศะสมุทยโยโหติเอวังก็มีด้วยประการชนนี้ ท่านพระครูบรรยายจบลงด้วยสำนวนนเทศผู้ฟังต่างยกมือขึ้นสาธุหลวงพ่อคะปฏิจจสมุปบาทยากจังเลยนะคะหนูเข้าใจแค่ 50% เอร์เซ็นเองแต่ก็ยอมรับว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากและคงสำคัญมากพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกและในสัปดาห์แรกของการตรัสรู้นางสาวสายใยรักเอ่ยขึ้นยมเสียงประเมินตัวเองว่า สามารถเข้าใจได้พอๆกับนางสาวสายใยรักหากจะมากกว่าก็ไม่เกิดหเปอร์เซนตเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงย้ำให้เห็นความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทว่าความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทเห็นได้จากพระพุทธวจนะซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่12บสอง ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ปรากฏในปิฎกทั้งสามคือในพระวิันปิฎกอยู่เล่มสี่ข้อหนึ่งพระสุตตันตปิฎกอยู่เล่มสิห ข้อหนึ่งและในพระอภิธรรมปิดกอยู่เล่ม35ข้อ274อัตมาจะขออัญเชิญพระพุทธวจนะที่ปรากฏในเล่ม16มาเป็นตัวอย่างเช่นภิกษุทั้งหลายแท้จริงอริยสาวกผู้ใดเรียนรู้แล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อใดอริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้อริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ผู้มีทัศน์สมบูรณ์ก็ได้ ผู้เข้าถึงสัตธรรมนี้ก็ได้ว่าผู้ประกอบเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยวิชาก็ได้ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้วก็ได้พระอริยะผู้มีปัญญาชำแรกกิเลตก็ได้ผู้อยู่ชิดประตูอมตะก็ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึ่งรู้จักธรรมะเหล่านี้รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมะเหล่านี้ รู้จักทางดำเนินถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านี้สมณะหรือพรามเหล่านั้นแหลจึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยอมรับได้ว่าเป็นพรามในหมู่พรามและจึงได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเอง โอ้โหฟังหลวงพ่อบรรยายแล้วฉันรู้สึกว่าเข้าใจเกินครึ่งน่าจะได้สักห0สบถึงเจ็ดบเปอร์เซนตแม่ชีป่วนพูดเกินความจริงเพราะแกเข้าใจไม่ถึงร้อยละยี่สิบแต่ต้องการข่มนางสาวสายยายรักและโยมเสงอัตตมายังเชื่อไม่ได้พระอานนุนท่านเป็นพระโสดาบัน ยังเข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่แจ่มแจ้งแต่ท่านคิดว่าเข้าใจแจ่มแจ้งดังมีหลักฐานแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ส6หเช่นกันคือพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าเป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่ายเพราะเคยมีเรื่องที่พระอานนท์ เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าค่ะหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถึงจะเป็นธรรมะลึกซึง้งปรากฏเป็นของลึกซึง้งก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมะง่ายๆพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าอย่า ก, กล่าวอย่างนั้นอานน ปฏิจจสมุบาทนี้เป็นธรรมะลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละมูสัต์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งจึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง จึงผ่านพ้นอบายทุกคติวินิบาตสังสารวัตรไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอลดความเข้าใจลงจาก60ถึง70มาเป็น10ถึง20เปอร์เซ็นต์ก็ขอแม่ชีป่วนยอมลดความเข้าใจอย่างว่าง่ายถ้าพูดอย่างนี้อาตมาเชื่อได้เอาละ มันเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นผมอาตมาขอฝากพระคุณเจ้าและญาติโยมที่นั่งณนะที่นี้ว่าอย่าได้ทิ้งการปฏิบัติเพราะการเป็นชาวพุทธแท้จะต้องปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานหากไม่ปฏิบัติเราจะไม่สามารถรักษาพระศาสนา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้